เทศวันที่21กุมภาพันธ์2507ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสิ่งที่แก้ตัวไม่ได้ในปัจจุบันได้แก่การเกิดเกิดมาแล้วจะเป็น สัตว์ริบเป็นบุคคลแก้ไขไม่ได้ในชาติหนึ่งเหมือนกับก็สอบตรงเรียนสอบทันสอบตกในขณะนั้นจะขอสอบแก้ตัวก็สอบไมันต้องเรียนต่อไปอีกจนกว่าภูมิความรู้สมควรจะสอบ แล้วก็สอบซ้มอีกได้แล้วก็เดือนทานขึ้นไปนี่แล้วเกิดมานี่จะถูกหรือผิดก็ได้เกิดมาแล้วจะเป็นสัตว์ก็เป็นเต็มทีเป็นสัตว์ประเภทใดก็เป็นเต็มทีเป็นคนก็เป็นเต็มที่หากว่าได้ขาดตกบกพร่องส่วนใดก็ขาดมาจยางเต็มทีจะแก้ไขก็ลํำบาก ถ้าเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็เป็นเต็มที่ในขณะที่เราเกิดมาแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ป ร, ประมาทคุณค่าแห่งการเกิดมาของตอน สัตว์เราเดินไปที่ไหนไมีแต่สัตว์ในน้ำก็มีอยู่บนบกก็มีอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อยู่ที่ไหนมีทั้งทั้งนั้ น, นเต็มไปหมดกำเนิดต่ำๆสัตว์เกิดได้ไง่ายแต่มนุษย์เราไม่เป็นเช่นนั้น ความเป็นมนุษย์นี้ก็เป็นร่าอันสูงสุดในชาตินี้คำว่ามนุษย์สมบัติหมายถึงส่วนสกลกายที่สมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องและไม่เป็นใบบาทแย่แยดเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติเต็มที่ มีเป็นต้นทุนที่จะให้สังสมคุณงามความดีเพื่อสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติความเป็นมนุษย์นี้เป็นศูนย์กลางของผู้ที่จะสร้างคุณงามความดีผู้จะต่ำลงไปก็เนื่องจาก การดัดแปลงตัวเองในทางที่ผิดหรือว่าทําตัวให้เป็นคนต่ําผู้จะเป็นคนดีขึ้นไปก็ต้องอาศัยการดัดแปลงตัวให้ถูกต้องในความเป็นมนุษย์นี้รู้สึกว่าสูงพระพุทธศาสนาก็รวมอยู่ในมนุษย์พระพุทธ เ, ทเจ้าก็าาต้องมาเป็นมนุษย์ซะก่อน แล้วเดจรัตจะรู้เป็นศาสดาของโลกมรรดาพระสงค์สาวกก็ต้องก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์จึงจะเป็นผู้สมบูรณ์เป็นภาชนะอันดีสำหรับจะรับรองทั้งสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเราจรึงควรภาคภูมิใจ ในมนุษย์สมบัติของเราที่ได้มนันและคนภาคภูมิใจในศาสนาของเราที่เรียพบศาสนาซึ่งเป็นของจริงแท้ได้จากพระพุทธศาสนาศาสนาใดๆก็หักดีอยู่เพราะไม่สอนคนให้ชั่วแต่ว่าความดีนั้นมีสูงต่ำต่างกันคุณภาพ็นศาสนาจงต่างกัน พุทธศาสนานสามารถจะสอนคนเป็นคนที่เยี่ยมทั้งๆที่ทเป็นมนุษย์นี่ก็ได้คือเยี่ยมภายในใจัดแม้จะเป็นใจที่มีความรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนทั่วๆไปหรือสัตว์ทั่วๆไปก็าตามแต่ลักษณะแห่งคุณสมบัติของใจความสุขของใจ ความค่องแคลวของใจจะผิดแปลกจากใจทั้งหลายเพราะได้อบรมจากหลักธรรมที่เป็นของจริงคือพระพุทธศาสนาฉะนั้นเวลานี้เรากำลังอยู่ในมัชชีมาคือศูนย์กลางแห่งโลกสัตว์เราก็มาได้ไปเกิดนรกก็มาได้ไปตก ที่ไหนได้ยินแต่ชื่อนรกก็ดีเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์นรกสัตว์ก็ได้ยินแต่ชื่อเราก็ไม่ได้เป็นสัตว์เราก็เป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นส่วนได้ห็งคุณค่าในตัวของเราและจิตใจของเราซึ่งครองอยู่ในบัตรนี้พยายามอบรมดัดแปลงวิถีทางเดินของชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสม่เสมอราบรื่น ทั้งทางโลกและทางธรรมเราจะมีความสะดวกสบายอยู่ในโลกนี้ก็เห็นความสบายภายในตัวถ้ามีธรรมเป็นเครื่องนักษาดัดแปลงจิตใจให้ถูกทางไปโลกหน้าก็คือจิตดวงที่ดัดแปลงอยู่ใาบัตนี้จะเป็นผู้ไปไม่มีสิ่งใดจะไปโลกนาได้ นอกจากติดดวงเดียวซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งนนฉะนั้นต่างท่านต่างก็เป็นนายช่างที่จะฝึกฝนอบรมดัดแปลงจิตใจของตนในคราวที่มีชีวิตอยู่นี้ถ้าชีวิตหาไม่แล้วด่างกายก็สุดทีสใสที่จะพาทำติดการงานต่างๆจะรับทรศียสินก็ไม่ได้ ต่จเจริญนมตาภาวนาก็ไม่ได้หรือว่าขาดทุกอย่างฉะนั้นเราจะเห็นสินใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าใจของเนอาแม้เราจะสา ะ, ะแสวงหาสิ่งอื่นมาเพื่อเป็นการบำบัดให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขเราก็อย่าลืมตัวถิงกับว่าได้พลาดไปเพราะอี ก, การงานนั้ น, น, น โดยความอยากเป็นเจ้าเรือนจิตใจถ้าได้รับการอบรมอยู่เสมออย่างไรก็ไม่ถอยหลังจะก้าวไปทีละนิดไปทีละหน่อยก็ตามต้องก้าวไปเสมอการดัดแปลง การอบรมตนเองนี่เป็นสิ่งสำคัญให้เราถือคือว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับทุกทุกท่านผู้ใดอยู่ที่ไหนแสวงหาธรรมะก็ได้ไม่ว่านักบวดไม่ว่าคารวะ ขึ้นอยู่กับความขยันหมั่นเพียรขึ้นอยู่กับความเชื่อความลมใสาตามหลักความจริงแห่งธรรมแม้เราจะจากธูบาอาจารย์ไปก็จากไปตั้งแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนด้านจิตใจที่ท เ, เคยมีความสัมพันธ์เจือเนื่องกับศีลกับธรรมนั้นเป็นสิ่งที่แนบสนิทอยู่กับใจของเรา ทั้งการมาอยู่ทั้งการจากท่านไปเพราะฉะนั้นธรวมาพระพุทธเจา้านิพพานน้วจริงเป็นเพียงพระกายของพระองค์เท่านั้นส่วนคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้ประทานไว้แล้วอย่างไรก็ต้องคงเส้นคงวาอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรม ที่ตรัสไม่ชอบแล้วจะต้องเป็นผู้ได้รับผลเสมอไปดังนั้นคำว่าธรรมโมหาเลระคติธรรมจารีจึงเป็นธรรม ท, ที่ไม่มีต้นมีปลายผู้ใดปฏิบัติรักษาธรรมคือรักษาตนเองผลคือความสุขความเจริญ ก็ย่อมจะปรากฏแก่ผู้ปฏิบัตินักนั้นท่านที่เป็นนักบวชก็ดีโปรดได้สำคัญในหน้าที่ของตนคํามันนักบวชเป็นผู้ปล่อยภรละ ความยิง่งหญทางด้านคารวะจัดทำเรียกว่าทาตัวเป็นคนขอทานทุกก็ให้ทุกแบบลูกของพระพุทธเจ้าถ้ามั่งมีก็ขอให้มีแบบพระพุทธเจ้าหน้าที่การงานที่ตนจะต้องทำตามเพศของตนโปรดเห็นว่าเป็นของมีคุณค่าประจำตนอย่าเห็นจินใดว่ามีคุณค่ายิ่งไป ไปกว่าเรื่องของพระถ้าเราเห็นสิ่งอื่นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องของพระแล้วพระของเราก็เริ่มจะด้อยลงไปข้อวัดปฏิบัติการรักษาศีลปฏิบัติธรรมก็จะด้อยความภาคความเพียรเพื่อจะให้เป็นไปในทางความสุขความเจริญภายในจิตใจของตนก็จะด้อยลงเพราะสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่าคำว่าพระ ซึ่งมีประจําเทศของนอกทุกก็จะลําบากขนาดไหนก็ขอให้ทุกลําบากแบบบสตรศิ์พระรัชาลโง่ก็ขอให้โง่อยู่ในวงธรรมะคํา ส, สอนของพระพุทธเจ้าฉลาดก็จะให้เลยทางของพระพุทธเจ้าที่ประทานเอาไว้มีชื่อว่าเป็นลูกพระรัชาคต จะเกิดสุดท้ายทาหลังก็คือลูกพระราชคตผู้สุดทองนั่นเองไม่ใช่เป็นลูกผู้อื่นใดเช่นเดียวกับเรามีลูกหลายคนคนหัวปีก็ลูกของเราคนกลางก็ลูกของเราเป็นผู้หญิงก็ลูกของเราเป็นผู้ชายก็ลูกของเราคนสุดท้องก็ลูกของเรานี่ลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกัน คำว่าพระเมตตานั้นมีอยู่ทุกสัตว์ทุกบุคคลร่องรอยพระเมตตาได้แก่พระธรรมแปด0มืสี่พันพระธรรมขันธ์ที่วางไว้เป็นแนวทางหรือบันไดเพื่อให้เราทั้งหลายได้ก้าวเดินไปตามพระอาวาตนนั้นจะไม่ผิดหวังทั้งชาตินี้ก็จะมีผลตอบแทนให้มีความสุขความเจริญภายในใจชาติหน้าซึ่งจะสืบต่อจากชาตินี้ อยู่ทุกๆขณะเมื่อปิตใจนี้เลยออกจากร่างร่างนี้ไปก็จะมีความสุขความเจริญผู้ก้าวไปข้างหน้าก็จากเท้าอันนี้ก้าวไปถึงไหนก็จากฝ่าเท้าของเราผู้จะไปสู่โลกไหนก็คือใจดวงนี้ เป็นผู้จะ ก, ก้าวไปไม่ใช่จัวใจดวงไหนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการประคองการก้าวไปของตนจึเงเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางจะต้องสังเกตว่าทางในถูกทางใดผิดไม่ใช่ว่าทางแล้วก็จะเดินไม่ใช่ว่าเพียงว่าเท้าแล้วก็จะก้าวไปโดยไม่คำหนึ่งถึงขวากหนาม ไม่คำหนึงถึงทางผิดและทางผูกผู้นั้นจะได้รับความเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่ผู้ใดที่สังเกตทั้งทางเดินที่ตนจะไปสู่จุดนั้นๆด้วยสังเกตการเดียบย่างเท้าของตนด้วยว่ามีอะไรในหนถังผู้นี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและถึงจุดหมายปลายทางพระว่าคำตังสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆุกบททุกๆ บ, บาท ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นทางแห่งสวขคาตาธรรมหรือเรียกว่าเป็นมรโครือทางที่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะดำเนินไปเพื่อความราบรื่นและถูกต้องถึงจุดหมายปรายทางได้เพราะพระอวาททุกๆบททุกบาทที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระโพธิเจ้า น, านั้นเต็มไปด้วยหลักเหตุผลหาข้อแย้งไม่ได้แค้แต่นิดเดียว เพราะเหตุในเพราะใจของพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เต็มไปด้วยหลักเหตุผลเมื่อเหตุผลเพียงพอแก่การปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแล้วจึงปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาฉะนั้นความบริสุทธิ์นั้นจึงเกิดขึ้นจากหลักของเหตุผลที่ถูกต้องเมื่อใดประทานธรรมะข้อไหนไว้จึงเป็นธรรมะที่ถูกต้องเรียกว่าสุขาตาธรรมสามารถจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติ ซึ่งดำเนินตามร่องรอยแห่งพระเมตตาคือพระอวัตนให้ถึงจุดหมายปลายทางไปได้โดยนํำหนักนับตั้งแต่ขั้นต่ำจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดคือดิมุิพันิฐานจะไม่เลือกการเลือกสมัยใดๆตามภารธรรมที่กล่าวไว้ว่าอากาลิโกความดีเป็นของมีอยู่ประจาโลกความชั่วก็เป็นของมีอยู่ประจำโลกการทำดีทำชั่วมีอยู่ ความสุขความทุกข์จึงสูญหายไปไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นคัมมาอากาดิโกจึงถูกทั้งทางดีและทางตัวถูกทั้งผลดีผลชั่วสุขทุกข์ทั้งหลและมีอยู่กับผู้ทานั้นด้วยยีเรีย่าอากาดิโกเป็นศูนย์กลางอยู่เช่นนี้ไม่เคยเสื่อมสูญอัตราทานไปไหน คือว่าธรรมะคตํตส้งสอนคําพปฎิจาที่ตรัสไว้ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติตามจะได้รับความเดือดร้อนและถึงความอับจนนั้นจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วคําว่าธรรมโมหิรัคติธรรมะใจจะเป็นธรรมที่ถูกต้องไปไม่ได้เราทั้งหลายผู้ดำเนินตามร่องรอย พระมิตาของพระโพธิเจ้าโปรดได้พิิจพิจารณาผู้ที่อยู่ในหลักธรรมหรือศีลประเภทใดก็โปรดได้สงวนรักษาศีลของตนธรรมของตนเช่นเดียวกับรักษาชีวิตหรือมากยิ่งกว่านั้นถ้าเราเห็นจากความหลับความนอนเห็นจากความขีเเกียจขี้ครานเห็นจากความมาง่ายอ่อนแอ สิ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าธรรมที่ควรจะได้จะถึงก็จะสูญหายอันตรทานไปจากหัวใจใจดรงนั้นก็จะถูกลุมร้อมด้วยสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ผู้นั้นจะหาความเจริญไม่ได้จะเป็นพระก็เดือดร้อนจะเป็นคารวาสก็เดือดร้อนหาความสุขไม่ไหนเลยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายโปรดทราบว่าผู้ที่สร้างโลกก็ดี สรางรรมข้อดีต้องมีธรรมเป็นเครื่องเครือบแฝงอยู่เสมอหากว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเครือบแฝงอยู่ภายในการกระทําหรือจิตใจของผู้ทํานั่นแล้วจะไม่เป็นไปเพื่อความล่มเย็นจากตนเองและผู้อื่นแม้ผู้ปฏิบัติธรรมล้วนๆคาว่าธรรมนั้นเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ผู้ทํา เข้าใจว่าตนทําตามพระโอวาทําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ใจกลายเป็นโลกไปเสียชะนี้ทำตั้งๆ ท, ที่เราว่าดําเนินตามทำก็จะกลายเป็นโลกภายในตัวของเราโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกทีนี้เราก็จะมาตําหนิว่าเราปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาเท่านั้นไม่เห็นปรากฏผลอันไดเป็นเครื่องตอบแทนขึ้นมาเลยแต่แท้ที่จริงความคิด หรือการทำของตนได้ผิดพลาดจากหลักความจริงคือสวขาคธรรมของพระพุทธเจ้าผ่านไปผลจลินปรากฏเช่นนั้นขึ้นมาถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราให้ถูกทางธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานในครั้งนั้นกับในครั้งนี้ จะไม่มีอันใดผิดแตกจากกันเพราะกิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับกิเลสคนสมัยนั้นกับกิเลสของพระพุทธเจา้าในกิเลสของสาวกบุบรษุษบุรุษทั้งหลายความทุกข์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีอยู่ในกายในใจอันเดียวกันกิเลสอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีความชั่วแห่งความชั่วทั้งหลายก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกัน และอาศัยอยู่ในหัวใจของบุคคลเช่นเดียวกันกับครังพุทธการนั้นหนีธรรมะที่จะนํามาแก้ที่เด็ดปัญหาอาสวะจะมาแก้ทุกแก้ภัยที่เป็นอยู่ภายในตัวก็คือธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงนาํามาใช้แก้ไขพระองค์จนพ้นจากทุกไปได้กลายเป็นศาสดาของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้อยู่น้าบัดหนึ่ดังนั้นคําว่ามัชจิมาปฏิปทาจึงเป็นศูนย์กลาง อยู่เสมอไม่ได้ล่วงลับดับขันนิพพานไปตามพระพโพธเจ้าไม่ได้ชั่วไปตามผู้ใดไม่ได้เรียวแหลมไปตามคํากล่าวหาหรือว่าล้ายของบุคคลใดๆทั้งนั้นแต่หากว่าธรรมะคําตั้งสอนของพระโพธิจักรได้เอ็นเอียงไปตามคําตำหนิติชมของคนแล้วจะเป็นธรรมะของจริงทรงโลกทรงธรรมไว้ไม่ได้ ธรรมะนี้จะกลายเป็นบ่อยของคนทั่วทั่วโลกใครใช้ไปไหนก็จะได้เพราะธรรมะเป็นของเองียงเอียงแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นจึงตั้งอยู่ในความเป็นมัดชิ ม, มาเสมอต้นเสมอปลายผู้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วมีจิทธิที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ผิดรู้ถูกซึ่งมีฝังอยู่ภายในจิตใจของตนเองได้โดยลำดับ เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามาชี้บอกอยู่ภายในใจนี่หลักเป็นเครื่องรับรองผลที่จะพึงได้รับได้แก่ข้อปฏิบัติให้ตรงตามร่องรอยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีอันใดมีอำนาจวาสนามาแยกหลักเหตุกับผลที่ถูกต้องี ให้เดินไปคนละทางผลเป็นชนิดใดโอ้เหตุเป็นชนิดใดผลจะปรากฏเป็นชนิดนั้นขึ้นมาคือเหตุดีได้แก่เราประกอบถูกต้องดีผลจะเป็นความสุขขึ้นมาภายในใจเห็นประจักษ์นี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกคนอื่นจะไม่เห็นก็าตามเมื่อตนทําถูกแล้วความเย็นอกเย็นใจจะปรากฏขึ้นมา ไม่เช่นนั้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอยู่ในสถานที่ต่างๆจะต้องอาราธานาหรือทูลพระพุทธเจ้าสเสด็จตามทุกระยะแห่งการประกอบความเพียรเพื่อจะได้ชี้แจงบอกว่านั่นถูกนี่ผิดท่านเองเป็นผู้ถูกผู้ผิดไม่สามารถในตนเองเพราะไม่มีสันติที่โกก มีอยู่เฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นสันทิติโกมีจะเป็นทํานองนี้แต่นี้หาเป็นเช่นนั้นไหมสันทิติโกคือความเห็นเองภายในตัวนั้นมีอยู่กับทุกทุกท่านผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางเริ่มตั้งแต่สันทิติโก้ชั้นยาชั้นกลางเข้าไปจนถึงชั้นละเอียดที่สุดก็จะปรากฏภายในใจเช่นใจของเราแต่ก่อน ไม่เคยมีศรัทธาความเชื่อมั่นในพระศาสนาไม่เคยสนใจต่อการให้ทานต่อการรักษาศีลต่อการเจริญภาวนาทนี่เราก็ได้สะดับรับฟังทำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความลมใสขึ้นมาเนื่องจากทำบุญให้ทานถึงกับต้องทำบุญให้ทานรักษาศีลและเป็นเหตุให้เกิดความเคยกินต่อ น, นิสัยของตนอย่างนี้เราก็พอทราบได้ดูว่า นิสัยของเราแต่ก่อนกับนิสัยที่เป็นอยู่ในบัตรนี้หรือความรู้สึกแต่ก่อนกับความรู้สึกนนบัตรนี้มีความต่างกันนี่ก็จัดเป็นสันทิฏฐิโกรู้ภายในตัวเองที่เดี๋ยเปลี่ยนแปลงสภาพมาอย่างไรในความรู้สึกเช่นอ น, นั้นมีผู้ฝึหกหัดภาวนาใจมีความวุ่นวายยุ่งเหยงิงหาความสงบไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏ ค, ความสงบของใจว่าเป็นอย่างไร ความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนั่นเป็นเช่นไรเราไม่มีโอกาสจะทราบแต่พอได้บําเพ็ญภาวนาตามในที่ท่านเนี่ยเอาไว้มาบําเพ็ญภายในตัวเองปรากฏเป็นความสงบภายในใจจะสงบน้อยก็าตามก็พอรู้สึกว่านี่คือความสงบผลเกิดขึ้นจากความสงบคือความสุขเย็นใจสบาย อีกเป็นสันทิฏิโกโประเภทหนึ่งมีความสงบมากยิ่งกว่านั้นจนเห็นประจักษ์ทั้งกลางวันกลางคืน<ม>ไปไหนกําหนดดูใจกับความสงบกลมกลอมกันอยู่เสมอไม่ได้แยกย้ายจากกันเลยหนียิ่งจะเห็นชัดเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนท่านี้เรามีความเฉลียวฉลาดรอบคอบเข้าไปยิ่งกว่านั้นสันทิฏิโ ก, โกก็ทราบชัดทั้งความสงบนั้นด้วย ทั้งความรอบขอบหรือความแ ย, ยบคายของปัญญาในสอดส่องมองดูสภาวธรรมทั้งหลายเห็นเห็นวนะ่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความแตกสลายมีความไม่โยกพัดพรากจากกันไปทั้งเขาทั้งเราทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเราก็ค่อยทราบชัดไปโดยทางปัญญาตามที่เราทั้งหลายได้เคยสวยดว่าานาภววินาภวอย่างนี้เป็นต้นนีแล้วก็ทราบขึ้นภายในตัวของเรา สี่กิเลสซึ่งเคยหนาแน่นภายในใจจนเป็นเหมือนกับเถิงกองหนึ่งกุม้มรุมอยู่ภายในหัวใจของเราเราก็ค่อยละ ง, งับดับลงไปได้ด้วยอํานาจแห่งความสงบซึ่งเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามของเราโดยลำหนับลำหนับจนกลายเป็นจิตที่เย็นกลายเป็นจิตที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะสอดส่องมองดูเหตุการณ์ภายนอก ภายในตัวของเราว่ามีสภาพอันเดียวกันแล้วก็ปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายเข้ามาได้เป็นลาดับการปล่อยความสำคัญมั่นหมายเพราะอำนาจของปัญญาเข้ามาได้เป็นลาดับนี้เรียกว่าเราถอดถอนความกังวลอันเป็นภาระให้เราแบกเราหามนั้นออกจากใจของเราเป็นชั้นๆเข้ามานี่ก็เป็นสันธิฏิโกเข้ามาเป็นลำดับ ยิงมีการถอดถอนได้เพราะอำนาจของการพิจารณาพูดว่าทุกขังก็ถึงใจเห็นชัดว่าเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจของเราพูดว่าอันนี้จังก็เห็นความแปรสภาพทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งการก้าวไปถอยกลับในยาบททั้งสี่เป็นเรื่องแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาหาความคงที่ไม่ได้ในสัตว์และบุคคลผูห้หนึ่งหนึ่ง นี่เรียกว่าเป็นปัญญาอันนึ่งก็เป็นสันิีิโกโประเภทหนึ่งคำว่าอนัตตาเปลาจากสัตว์จากบุคคลเปล่าจากความเสืส่อมสั่นั้ยอของไข่ๆทั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามแต่เป็นไปตามลักษณะลักษณะแห่งความจริงของเขาเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญญาประเภทหนึ่งพอพูดถึงเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีมันถึงใจทุกอย่างเพราะอํานาจของปัญญาได้ซึมทราบเข้า ถึงหลักความจริงจริงๆเพราะคําว่าอ น, นิจจังไม่ก็ดีทุกขงังกุลีอนัตตากุลีไม่ใช่เป็นเพียงคําพูดแต่มันเป็นตาในลักษณะตามลักษณะของธรรมชาตินั้นจริงๆตั้งแต่เรายังไม่รู้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเมื่อเราได้รู้เข้าในขณะนั้นก็เป็นอยู่เช่นนั้นเรารู้ผ่านไปจริงๆก็เป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นใครจะรู้ใครจะหลงก็ต า, ามสภาพเหล่านี้ต้องคงที่อยู่เสมอนี่ นี่ก็เป็นสันติภิโกโประเภทหนึ่งและขอย้อนถึงเรื่องความทุกข์ว่าถ้าพุทธศาสนาสแสดงตั้งแต่เรื่องความทุกข์ของจัตถ์าก็จะทาให้จิตนมีความเศร้าโศกหรือเป็นเหตุให้จิตใจอับเฉาผู้นับถือพุทธศาสนาสอนตั้งแต่เรื่องกองทุกข์นีถ้าจะพูดกันไปในธรรนองนั้นก็แสดงว่าคนนั้น ไม่รู้เรื่องความหมายของศาสนาที่แท้จริงถ้ารู้ตามความหมายของศาสนาที่แท้จริงแล้วก็ไม่ควรจะพูดหรือไม่ควรจะคิดเช่นนั้นธรรมดานเราเกิดข้อข้องใจกับสิ่งใดอันใดที่เป็นเครื่องบกพร่องยกตัวอย่างใกล้ๆว่าในครอบครัวของเรานี้อะไรบกพร่องสิ่งนั้นแลลวจะทำทุกข์ให้เราน่ะเราก็ต้องพยายามหาต้นเหตุว่ามันบกพร่องเพราะเหตุใด เมื่อส่วนใดบกพร่องเขาพยายามวิ่งเต้นขวัญขวายหรือเสาะแสวงหามาไว้สําหรับแก้ไขความขัดข้องเพราะความขัดข้องนั้นก็เป็นทุกข์อันหนึง่งเช่นเราไม่มีข้าวจะในบ้านจะกินอย่างนี้ก็เป็นทุกข์ก็ต้องวิ่งเต้นขวัญขวายที่ยาที่วิ่งเต้นขวันขวา ย, ย, า ท, ววายท่านเรียกว่ามัดทางดําเนินเพื่อความเจริญเพื่อความสุขสําหรับครอบครัวไม่มีเงินจะใช้ก็าลบาบากเป็นกองทุกข์อันหนึง่ง การเสาะแสวงหาเงินมาใชา้ก็เนื่องจากการพิจารณาแล้วว่าถ้าไม่มีเงินก็เป็นทุกข์แล้วเสาะแสวงหาเงินมาใช้ในครอบครัวของตนนั่นก็เป็นมรรคคือทางแก้ทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าคําสอนของมุสลิมเจ้าจะสอนให้คนมีความโศกเศร้าเอาทุกข์มากุ้มลุมซึ่งกันแกันศาสนาทั้งหมดในคําสอนขพระเจ้าเป็นกองเพลงิงไม่ใช่อย่างนั้นสอนเพื่อคนจะแก้ไขตัวเอง เป็นทุกเพราะเรื่องใดก็ต้องพยายามแก้ไขทันสอนอย่างนั้นต่างหากเราว่ามีความรู้วิชาการทํามาค้าขายหรือติการงานต่างๆทําอะไรก็ไม่ทันเขาเพราะคนโง่ก็ต้องสอนให้ฉลาดความโง่มันก็เป็นผลเกิดขึ้นมาจากความไม่สนใจความีเกีย้ยงเพี้ยนความขยันมันเพียนนั่นแหะเป็นทางเกิดขึ้นแห่งวิชาสมบัติต่างๆน่ะพระพุทธเจ้าก็สอนนี่ สอนเพื่อแก้ทุกข์ไม่ใช่สอนเพื่อให้กอดเอาทุกข์นั้นมาเป็นเครื่องกุ้มลุมจิตใจให้รับความเดือดร้อนนี่เรื่องภายนอกก็สอนเพื่อแก้ทุกข์ต่างหากไม่ใช่สอนเพื่อให้เอาทุกข์คือสอนให้รู้วิธีแก้ไขทุกข์ที่มันมีอยู่ในที่ต่างๆหรือในบุคคลในครอบครัวในสถานที่นั้นๆเพื่อให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราไม่ต้องการ นั้นให้ค่อยหมดไปหมดไปเพราะอุบายที่ชอบของเราอุบายที่ชอบนี้เป็นทางแก้ไขทุกนี่ศาสนาสอนอย่างนั้นที่นี่ย้อนเข้ามาสู่ภายในเมื่อภายนอกสมบูรณ์เช่นมีข้าวมีของมีเงินมีทองมีเครื่องใช้ไม่ส้อยสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็มีความสุขในด้านนั้นแต่เรามีความทุกข์ในด้านจิตใจเพราะกิเลสมันหลายประเภทความโงเ่เขาเขลาของเราก็มีหลายประเภท เราฉลาดในการทำมาหาเรื่องขี้ฉลาดในความรู้วิชาฉลาดในการหาเงินหาทองเข้าของแต่เราอาจจะ ง, งูดในส่วนหนึ่งภายในของเราความทุกข์ภายในใจจึงมีกลุ่มรุม จ, จิตใจนี่พระพุทธเจ้าก็าสอนให้มาพิจารณาเรื่องทุกข์นี่เป็นสัจธรรมอีกประเภทหนึ่งสัจธรรมเรื่องภายนอกก็ได้แก่ทุกข์ในครอบครัวเหตุที่จะทุกข์ในครอบครัวก็คือว่าความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันนี่นั่นก็เป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์ได้ ออุบายวิธีที่จะสแสวงหาสิงต่างๆมาเพื่อเป็นเครื่องเยียวยารักษาตัวเองในครอบครัวนั่นก็เป็นมรคเมื่อมีมรคคือทางดำเนินที่ถูกต้องทุกในครอบครัวก็ดับไปนี่กาะเรียกว่านีโรดในส่วนหนึ่งนี่ที่ย้อนเข้ามาสู่ภายในทุกมันมีอยู่ภายในใจตอนนี้เรายังไม่สามารถจะแก้ไขได้มันเดือดร้อนก็รู้อยู่แต่หาทางแก้ไขยังไม่ไหน จึงต้องศึกษาธรรมะอบรมการทางด้านจิตใจจากครูบาอาจารย์หรือจากบทธรรมต่างๆที่ท่านสอนเอาไว้ได้เข้ามาอบรมจิตใจของตนจนปรากฏเป็นความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่ทํานั้นเรียกว่ามัคจิตใจทั้งเราที่มันกําลังทุกข์นั้นเรียกว่าทุกข์เมื่ออุบายวิธีถูกต้องในการอบรมได้ปรากฏหรือได้บเราได้บําเพ็ญให้ถูกต้องแล้วทุกข์เหล่านี้ก็ค่อยดับไปดับไปนี่ทุกข์ ดับไประยะไหนก็นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเป็นระยะระยะอย่างนี้นี่าศาสนาท่านสอนอย่างนี้ต่างหาไม่ใช่สอนห่วยคนกุ้มรุมเอาทุกจุดของาศาสนาทั้งหมดล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองเครื่องไม่ใช่อย่างนั้นเนื้อที่มาถึงเรื่องสันทิติโกไปติดต่อขแขนงไปที่การกล่าวมาทั้งหมดนี้ทั้งสัจธรรมภายนอก ได้แ ก, ท ก, ทก่ทุกสมูทายนิโรธมรรคเอาพูดง่ายๆว่าทุกสมูทายนิโรธมรรคในครอบครัวหนึ่งหนึ่งทั่วทั้งโลกเนี่ยแล้วก็ย้อนเข้ามาทุกสมูทายนิโรธมรรคในร่างกายและจิตใจของเหล่านี้เรียกว่าเป็นครอบครัวเฉพาะ น, นี้ครอบครัวคือร่างกายของเรา น, นี่ก็ให้หาอุบายวิธีแก้ไขอย่างนั้นเราก็จะปรากฏเป็นความสมบูรณ์ความสุขความจเจริญขึ้นมาเช่นเดียวกับเราแก้ไขครอบครัวของเรา ให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาได้ทางโลกทางนอกกับภายในเหมือนกันวิธีการเนียติบ า, าถึงเรื่องสันทิฏิโก้ทั้งสองคือภายนอกก็ดีภายในก็ดีจะเลยจากสันทิติโก้นี้ไปไม่ได้เพราะเรื่องภายนอกก็เป็นเรื่องของเราจะต้องรับรู้รู้และผิดชอบทุกอย่าง ภายในก็ต้องเราเป็นผู้รับรู้ในความดีความชท่ยวความสุขความทุกข์ของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราจะพยายามแก้ไขให้รู้หรือให้ฉลาดยิ่งกว่านี้ไปเป็นลำดับลำดับนี่หมายถึงอญญายาสัตว์ภายในที่นี่การพิจนะารณาอายาสัตว์คือกองทุกภายในสมูทายภายในมรรคภายในนิโรธภายในให้พยายามอบรมจิตใจให้ได้ไม่มาก ก็น้อยวันหนึ่งขอให้ได้มีความสุขทั้งด้านจิตใจทั้งด้านภายนอกคือครอบครัวนี่เรียกว่าเราไม่ขาดเป็นผู้ดาเนินเสมอต้นเสมอปลายภายนอกก็เป็นไปได้มีความฉลาดรักษาตัวให้มีความสุขความเจริญเหมือนบ้านเมืองเขาภายในก็พยายามรักษาตัวอบรมจิตใจของเราเนี่ยให้มีความสุขความเจริญเยือกเย็นใจเกิดขึ้นจาก ธรรมะคํตักสอนคำโพธิเจ้าที่เราได้อบรมภายในใจดีแล้วจะเป็นผลขึ้นไปเป็นลาดับลำดับดังที่อธิบายเมื่อตะ ก, กี้นี้ผ่านไปตั้งแต่สมาธิเป็นลาดับถึงขั้นปัญญาแต่ไขภาระเครื่องกดท่วงจิตใจอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในทางใจได้ไปเป็นลาดับลาดับเมื่อถอดถอนอุปาทาน เพราะอำนาจของปัญญาที่แกนารู้สภาพทั้งหลายว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อย่างถึงจิตถึงใจแล้วการถอดถอนก็ต้องถอดถอนถึงจิตถึงใจทุกข์ก็จะต้องหลุดลอยไปเป็นลําดับลาดับในเมื่อมรรคคือข้อปฏิบัติได้ถึงจิตถึงใจของผู้ปฏิบัติแล้วกิเลสทั้งหลายจะทนตัวอยู่ไม่ได้แม้จะตั้งอยู่ในจิตใจของเรากีกับนับไม่ถ้วนกว็าตา ม, มเช่นเดียวกับความมืดที่มีอยู่ในโลกอันนี้ตั้งกับตั้งกัน แต่พอจุดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดก็หายไปในขณะนั้นนั่นเองลักษณะแห่งที่เละที่เป็นความมืดภายในใจก็เช่นเดียวกันขอให้ชาติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรของเราได้จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปความมืดเหล่านี้ก็จะค่อยขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปห่างไปจากจิตใจจิตใจก็จะได้มีความสุขความเจริญความผ่องใสความองอาจล้าหาน มีความเชื่อมั่นในหลักธรรมยิ่งเข้าไปความขยันมันเพียนก็ยิ่งคืบหน้าถอดถอนได้มากเท่าไรก็เห็นคุณนานิสงคือความเบาในใจิตใจก็ยิ่งมีแก่จิตแก่ใจถ้าแตนาคนา้นคว้ามีนิดมีหน่อยก็ถอดถอนออกไปได้เป็นลำดับลำดับเข้ามาสู่จนกระทั่งถึงวงแติแม้ภายในจิตใจก็ถอดถอนออกได้จนไม่มีอะไรเหลือนั่น ที่นี้เราจะหาพุท ธ, ธะที่ไหนเราจะหาะนิทานที่ไหนเมื่อใจผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์เพราะถอดถอนภาระซึ่งกดท่วงจิตใจของตนออกเสียโดยกินเฉยเพราะอำนาจแห่งศรัทธาปัญญาความภาคความเข็นของแบบเป็นผู้หญิงก็าตามเป็นผู้ชายก็าตามจิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าเป็นหญิงเป็นชายเพราะทุกข์ไม่ขึ้นอยู่กับใคร สุขก็ย่อมไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกันเป็นผู้สามารถจะทรงไว้ได้ด้วยกันทั้งนั้นเรื่องความสุขความเป็นความบริสุทธิ์พุทธโธพุทโธของพระโพ ธ, ธิจาร์เราก็ได้กราบว่าท่านพุทธโธของเราก็มีอยู่ประจําใจของเรานี่เป็นสันทิฏฐิโกอยู่ทั้งวันทั้งคืนรู้ชัดปัจจตังเมริตะโบวินยูหผู้รู้จะรู้ที่ไหนก็ต้องรู้ที่ตัวเองเนี่ย นี่ไม่ได้อยู่สูงไม่ได้อยู่ต่ำไม่อยู่กว้างอยู่แคบที่ไหนอยู่กับใจของเราดวงนี้เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี้กว้างแคบก็มีเท่าหัวใจหนาบางก็เท่าหัวใจเมื่อแก้นี้ลงไปโดยลำดับลาดับแล้วความหมดสิ้นโดยของกิเลสก็ต้องหมดสิ้นไปเป็นลำดับความบริสุทธิ์จะใหญ่น้อยขนาดไหนนั้น ก็ไม่เป็นปัญหาที่ไปวัดหากรู้โดยลําพังตนเองที่เรียกว่าปัจจตังวินิตตบโบจะรู้ได้โดยกันทุกคนเพราะทาเหล่านี้เป็นธรรมประจำใจด้วยกันผู้ปฏิบัติไปจะต้องรู้ต้องเห็นประจักษ์นั้นๆขอให้พากันพยายามอยู่ที่ไหนไปที่ใด อย่าลืมว่าทมทั้งแท่งคือใจของเราความสุขความเจริญไม่ใช่ของใครแต่เป็นของผู้ดินเต่งขวนขวายอุตสาพยายามบำเพ็ญ น, นั่นแลผู้จะเป็นเจ้าของแห่งสมบัติอันนี้ในอวิสาแนยพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจ และสมนำความมุ่งมักปรารถนาโดยทัวหนากันเือ